เสอเทศส่วนอวัยวะในตัวของเรานี่แหละให้ฟังพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนที่อื่นสอนในตัวของเหล่านี้เองคือว่าอยู่ใกล้ๆเราในระดับของใกล้นิดเดียวเลยไหมเอาเจใส่ แท้จริงของใกล้นี่แหละมันเสียหายมากมายก็ของใกล้นี่แหละถ้าของใกล้ๆมันเสียหายมันก็เลยของใหญ่ต ง, งัวถังข่วงพวงเสียหายไปตามๆกันเมื่อสอนของไกล้ควบคุมของไกลได้แล้วนั้นส่วนอื่นๆ น, นอกนั้นข่วงไกลออกไปจากตัวของเราก็รักษาง่าย งของภายนอกรักษาไม่ได้แต่ขอให้รักษาภายในถือก็เป็นนัเรียบร้อยดีเหมือนกันพระพุทธองค์สอนคนเดียวในโลกอันนี้ที่ให้รักษาตัวของเราคือรักษาหูตาจมูกนี่กายใจมนุษย์ชาติโลกไม่มีใครสอนหรอกที่สอนสอนกบมันลว้วนแล้วแต่ ออกจากทมคำสองไปเจ้าทั้งนั้นชาโลกเห็นว่าเป็นการผูกมัดลัดตัวไม่สะไม่ให้กระดุกกระเดกได้เป็นการยากที่จะรักษาได้ถ้าปล่อยตามเรื่องตามราวเป็นของสบาย ในรับความสุขในแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์สอนว่าเราทั้มรวมตาหูจมูมกนิ้วกายใจเส้นของดีแล้วถึงอะไรกรทบมันก็ไม่หวันห่นไหวส่วนที่ไม่ได้รักษาตามชาวโลกเขาเห็นว่าสบาย อาหารรักษาไม่สบายมันเป็นกา ร, บ, ารบีบบังคับต็อยตามเรื่องตามราวแต่มันก็เดือดร้อนอยู่ทุกระยะมีการสงบเมื่สักทีพระพุทธเจ้าทนเทศนาว่าจกคุณาสังวโลสาทุทุโสตายสังวโล ถ้านายสังวโรสาทุสา้าทุเชี่หายสังวรูกายายสังวรสาทุมนัสสาสังวโรสาทุสัพพัท ธ, ธสังวรูิกสุท่านว่าอย่างนี้คือว่าส้ำรวมตาส้ำรวมหู สัรวมจมูสัมรวมลิ้นกาดในกายสัมรวมลิน้นสัมรวมกายสัมรวมใจสิ่งทั้งมวลมดสัมรวมหมดต า, าถ้าหากก็ไม่สัมรวมโดยส่วนมากส่งไปภายนอกเห็นรูปเห็นเสียงเห็นรูป แล้วก็ไม่ต้องสำรวจละมันก็พุ่งออกไปนอกเห็นูปรูปดีก็ชอบใจรูปไม่ดีก็ไม่ชอบท่านวนวดตาเหมือนก็งูหูเหมือนกระจละเชคคือว่าธรรมดาตานั้นต้องสอดสอบไปในที่ต่างๆ โ ด, โดยส่วนมากโดยส่วนมากซ่อนๆไปเนีนที่รีรับทั้งเปิดเผยไดนะ้ไม่อยากดูหรอกดูจะรีรับสิ่งมันรีรับมันชอบดูนักเนีย่ยมันส่งไปนอกส่งไปแพ่งโทษความไม่ดีไม่งามความผิด ทุกสิ่งทุกอย่างเท่งไว้ข้างนอกแล้วมันมีความสุขที่ไหนล่ะมันเท่งนี่ถ้าความเดือดร้อนเนี่ยภายในหาความสุขสงบไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละผู้ที่ต้องการหาความสงบสุขจึงต้องระวัง ต้องระวังด้วยทางกายว่ า, จาใจใจระวังตาแะก่อนระวังระวังตาแห่งเดียวแะก่อนระวังเป็นส่วนๆไปเป็นอย่างย่างไปไม่ใช่ระวังไม่ให้เห็นโดยฉนมากไม่เห็นอยู่แล้วมันต้องส่งออกไปแพ่งออกไปเพื่อโทษคนอื่นไม่ใช่แพ่งโทษตัวเอง มองดูไปเพ่ ง, องเอาไว้ต้องเพ่งโทษเขาต้องเพ่งเพ่งโทษคนอื่นอย่างนั้นเนี่ยนะผิดพิดรุธโดยประการาต่างๆเขาไม่รู้สึกเลยสักหน่อยสักหน่อยเดียวแต่เราเพ่งโทษในพิดอย่างนั้นมันมีพิรุธอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้อะไรเพ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวเขาเองนะ่ไม่รู้เรื่องเขาไปอยู่เฉยๆธรรมดานะแต่เพ่งแล้วก็มาเมาเดือดร้อนเราเองนะคะนี่มีความรักก็เกิดความให้ความยินดีเ้าะร้อนขึ้นมาภายในมีความโกรธก็เกิดร้อนขึ้นมาภายใน ความไม่ดีไม่งามก็เกิดความร้อนเข้ามาภายในไอ้เพ่งทางความไม่ดีไม่งามความดีความงามก็ร้อนเพราะเหตุความดีนั่นแหละร้อนความดีหายากคนไอ้คนที่จะเห็นน่ะเึงนของร้อนนะหายากเพ่งความดีคือความรักคือความพอใจความเย็นดีดิตใจอย่างนั้นแหละถอนไม่ออกนั่นเรียกว่ามันร้อน สอนให้พากันระวังถ้าหากก็ไม่อยากร้อนสอนให้ระวังผู้ไดเจ้าสอนอย่างนี้ถ้าจางอยากจะได้ความสุขต้องให้ระวังตัวนี้ซะก่อนไม่ต้องให้ไประวังภายนอกระวังตัวของเรานี่แหละคนภายนอกนอนหรือคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ตามมันจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นกค่เรื่องของเขา ถ้าหากทุกทุกคนพากันระวังสังวรอย่างนี้ทุกทุกคนแล้วมันก็สงบสุขคนนั้นะสิมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่างคนต่างระวังสังวรมนนันสุขคนนั้นเขาพากันเพิดเพลินสนุกเฮฮาทางตานี่มากมายท้งหู ก, ก็มากมาย เสียงเคราะเสียงไม่เพราะครับต้ำพังเพลงด้วยประการต่างๆทั้งเดียวทางหูทางรูปทางตานเนี่ยดูภาพยนตร์ดูหนังตลุมอีเจอะไรต่างๆทุกอย่างคนที่ดูนั้นตาต้องมองดูส่งไปโนนลืมตัวเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจัง ลืมตัวเหน่อยเป็นทุกข์อยู่กับบา น, นั้นแต่เขาเข้าใจว่าเป็นสุขเพราะมันจริงมันทุกข์ใ น, นนั้นทุกข์เพราะการลืมตัวนั่นแหละมันทุกข์อย่างมากก็คือความหลงมัวเมาเนี่ยทุกอย่างนักที่สุดทุกอย่างขนาดกลางก็คือน็บเหนื่อยเนื่อการนั่ง เสียเวลาเวลาทำมาหากินเสียเงินเสียทองทุกอย่ากตัดต่อมากันทุกหลายเรื่องหลายอย่างหาเงินหน้าทองมาได้อามาเลี้ยงปากเลี้ยงท่อแล้วกันยังไม่พออามาเลี้ยงตาอีกเลี้ยงหูอีกทั้งตาทั้งหูเพื่อกินไม่ใช่กินแต่ทั้ง มันก็เปลืองเลยที่เงินเดือนมันจะมีมันจะพอใจมาทางไหนนี่แหละพอทัดพอเป็นที่นิทัศนะสําหรับให้พิจารณามันเป็นจริงไหมพ้ะพุทธเจ้าท่านสอนให้ส้ำรวมครั้งส้ำรวมได้แล้วนั่นมันจะเป็นจริงไหม จะเป็นสุขไหมไม่ใช่ไม่ให้ดูดูเหมือนขันธรรมดาตานี่ยมันเห็นหนอรอกนับอยู่ก็เห็นมันส่งออกไปเห็นหมดเัยเนีย่ยเรียวกว่าตาในตามันต้องมีภายในภายนอกหูมจมูกเนื้อง่ายก็ต้องมีภายในภายนอกเหมือนกันแต่ให้ต้ารวมระหวาง พิจนาเป็นของพัตถิภูนเปื่อยเนา่าพิจารณาให้เป็นอันนี้จังทุกขงกังอนัตตาเห็นไหมของไม่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหวย่ยทุกข์อยู่อย่างงั้นเนี่ยมองแล้วมองเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าไม่แล้วไม่เล่าเปสักเทียนะเรีย ก, กว่ามันทุกข์ไม่ได้เห็นก็คิดถึงมันทีบหายเสื่อมสูญไปก่อนคิดถึงนั้นมีมันก็ดีใจเสียใจอะไรต่าง นั้นท่านบอกมันเป็นทุกข์อยงท่านแนี่ยเพราะมันกั บ, กบเกาะปีดิปอกไปผาอยู่นะอันนี้นนทางอานนี้ทางหูเขาทำนองเดียวกั น, นฟังสิ่งที่เพาะที่จับอกจับใจเพลิดเพลินนินดีพอใจ ไม่ระวังทั่งบอดถ้าระวังทั่งบอลแล้วให้ดูดูใจตัวเดียวต่คนที่คนที่ไปไยินนั่นไม่ได้ยินจากอะไรเสียงมักระทบเสียงก็เป็นได้สักว่าเสียงมักระทบมันไปตนมีตัวได้แต่เราไปปรุงไปแต่ง เพราะว่าสนุกสนานอย่างถูกเสียงกระทบกระทั่งมันก็เป็นลมเป็นแล้งววเฉยๆไม่มีตนไม่ีตัวเลยแต่ไปเอามาคิดมาฝึกมากรองมาพิจารณาอยู่นั่นเย่ยไม่หายสักทีนั่นจึงค่อยเป็นทุกข์ท่านให้ระวังสังวร คือให้พิเจรณาอันนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นไปเดียวไดับก็หายไปไม่มีตนมีตัวได้หรอกกินค่ะนี่กินนี่ก็เป็นของทั้งขัญเหมือนกันก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันมาตามลม ลมพัดมายังค่อยถูกกลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นต่างเมื่ถูกสัมผัสเขารู้จีกว่าถ้าชอบอ่ถ้าหอมก็พอใจอยากจะได้อยากจะดมอยู่เสมอเสมอถ้าไม่หอมก็ไม่พอใจอยากจะปัดทิ้งแต่ก็ปัดไม่ไป ก็มาตามลมเราหายใจเข้าออกมันก็ไปตามลมมั้สิเราหายใจเข้าออกเข้าตามลมมั้สิมันจะหนีไปไหนจะโมงนี่ตั ง, งโง่ตายเข้าอะไรไม่ดมกระดมเหม็นหอมไม่ว่างนั่นน่ะดมมดัดแต่ว่าจะโมงไม่ได้โกรธนะไม่ได้เกลียดนี่ ไม่ยินดีไม่พอใจไม่ไม่มียินดีพอใจหรือไม่พอใจะอะ้รหรอกตัวใจตั้งหากไปยินดีพอใจไม่ยินดีกับใจยินดีกับใจชามูกมาเพียงดูสูบกลิ่นเฉยๆคือสูบลมหายใจเข้าออกอันนั้น เรากินของคนอื่นมาเป็นของมสิ่งอื่นมาเป็นของตัวมีพระเอาหนึ่งท่านไปเจริญธรรมนัธรรมในป่าถูกกินดอกไม้หอมหอัวพิสูกกกินดอกไม้ี่วดาแล้วบอกว่าอุ้ยท่านคิดขโมยนี่เลยสงสัยว่าคิกขโมยอะไรพิสูก่กกินเขาดิ ถ้กินดอกไม้ขี้ขโมยดอกไม้อะไรดิเทวดาสอนหนึ่งสอนพระได้นั่นก็เป็นขี้ขโมยอีกเหมือนกันตาก็เป็นขี้ขโมยหูก็เป็นขี้ขโมยจมูกก็เป็นขี้ขโมยก็้สิ่งต่างๆเป็นของเราโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรสิ่งอื่นไม่รู้เรื่องอะไร รถคันนี้มีสัมผัสที่ลีนคันท้าว่าทั้งรถแล้วมันมีหลายอย่างรถภายนอกภายในรถที่กระทบปลายลีนนั้นเรียกว่าชิวหาประสาทประสาทที่ลีนที่สัมผัสที่กาย เรียกว่ากายประสาทถ้าเป็นรถเหมือนอันหนึ่งเหมือนกันที่สัมผัสด้วยใจก็เรียกว่ารถเหมือนกันพูดสัมผัสทำทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทราบซึ่งก็ถึงจิตถึงใจสัมผัสภายในนั้นเรียกว่ารถธรรมชาติรถชะไอรถรถของพระธรรมคําสองพระเจ้า ก็เป็นรถอันหนึ่งเหมือนกันรถมีเป็นครั้งเป็นคราวที่เกิดจากลิ้นไม่ใช่ทั่วไปรถสะผัดกายนั้นทั่วไปตลอดเวลาสัมพัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่นัดต่อดเวลารถของใจนั้นหายาก คนใดพิจารณาธรรมะทราบซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจแน่วแน่เต็มที่นิเต็มที่เห็นธรรมโดยเฉพาะเกิดปื้มปีติขึ้นมามันความปื้มปีตินั้นแต่ ว, ว่าอิ่มก็ไม่ใช่เชื่อว่าเต็มก็ไม่เชิงแต่มันเต็มมันอิ่มเต็มซึ้งก็มันตื้นมันเต็มขึ้นมามันเต็มตรงไหนก็ไม่ทราบไม่เห็นที่เต็มมันตื้นมันตื้นตรงไหนก็ไม่เห็นไม่ทราบไม่เห็นที่ตื้น แต่ว่าใจมันเต็มตื้นอิมอ่มอืบขึ้นมาบอกได้แต่ว่าใจของภายนอกบอกไม่ได้ลดันนั้นลึกซึ้งมากสัพพะรัสังธรรมรโสชินาติลดทางพวงมดในโลกนี้สู้ลดพระธรรมไม่ได้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้คืนไม่ได้คืนกินหรื แต่แมงทราบซึ่งอยู่ตลอดเวลานวดอาหารการกินแล้วเคี้ยวยังค่อยสัมผัสแล้วปอกแล้วใส่เข้าในปากค่อยสัมผัสสัมผัสแล้วก็หายไปสัมผัสแล้วก็หายไปอันนี้ไม่มีหาย เจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันก็เต็มตื่นอีกอยู่ตลอดเวลารถพัสดุทัพจริงว่ารถอะไรก็เสมอโดยรถพัสทัไม่มีจริงว่ารถพัสดุทัพชนะจะถึงรถทังสวงมดเหตุที่พระองค์ให้สอนให้พากันระวังคือไม่ให้ส่งไปตามรถภายนอกรถภายนอกนั้นของติด ผัวพันมัวเมาของภายนอกมันไม่ได้เข้าถึงใจรถทศธรรมนี่ไม่มีอะไรหรอกที่จะจีดกันเมื่อเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นรถภายในแท้รถภายนอกเป็นเหตุในติดให้ัวกพันมันติดแล้วมันในของต้องแสวงหารสชาติอันนั้น ให้ไม่ได้สัมผัสกับหลายลีดอยู่เสมอเสมอส่วนกายและกายหนึ่สวนกายมันสัมผัสถูกต้องอตลอดเวลาอย่างอธิบายให้ฟังแค่เย็นก็นดีร้อนก็นดีหนาวก็ดีสบายกายสบายไม่สบายกายก็ดีมันเกิดจากกาย มันมีสิ่งกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาดินเหลือบยุงมุงหลานธรพัดทุกอย่างถูกเขาแล้วมันต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายฉะนันจึงให้ระวังระวังยังไงระวังกาย ระวังที่ไปสัมผัสลดภายนอกสัมผัสหรอกแต่ให้รู้เท่ารู้เรื่องสิ่งองนั้นของกระทบกันอยู่งั้นมันมีกายไม่ต้องมีสิ่งที่กระทบอค่นี้ไปไหนพ้นพแต่ให้ระวังสั้งบอกคือให้พิจารณาในตัวของเรา มันต้องกระทบกระทืท่นในอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาได้กดับไปเย็นร้อนอ่อนแข็งบางปีก่หนาวเธอจนแทบจะเป็นเน็บเป็นชาแต่มันหายไปไหนปีนี้ไม่มีรอนปีนี้ก็ร้อนเอาเธ้จนเหนือที่จะทนทานเมื่อปีกลายนี้ก็ร้อนเหนือที่จะทนทานแต่มันก็หายไปอีก ให้ระวังสังวรใจต่างๆไม่ให้เปิดผักพันไม่ให้ติดนิ่จริงหล่านั้นบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ให้ติดไม่ผัวพันยังไงอีของกายของเราัานี่ยกายอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ตัวของเราเนี่มันก็ทกุกขกระเทือนด้วยเสมอจะม่ยืดตัว ย, ยงไงมันยากคนที่ไม่ได้ภาวนามันยาก ยากที่จะเห็นถ้าก็นาเป็นแหละรู้เรื่องหรอพูดไอ้ง่ายกายไม่เช็ของเราปล่อยวางเลยทอดทุราทิทงมดมันกระทบกระเทือนแล้วก็จนไม่ปราดกฏดท่านพูดถึงเรื่องด้านภาวนาท่านเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้ว ทึกออกจากพ่อนามันกระทบกระเทือนกับพิจารณาอย่างนั้นอยู่เป็นเหตุให้พิจารณาไม่ท้อถอยเป็นเหตุให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลามีเสื่อมทุกเมื่อพรามันกระทบกระเทือนอ่อย่างนั้นน่นแหลกายเรื่องให้ระวังกายให้รักษากายรักษาจิตนั่น รวมมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่จิตแห่งเดียวตาหูจมูกลิ้นกายเขาไมารวมที่จิตแห่งเดียวซํารวมที่จิตให้ระมัดระวังสังวรที่จิตไม่ยินดีไม่ยินดียินได้ จสิ่งต่า ง, งรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะมันกระทบตาหูจมูกริางกายมันก็มาเป็นพิษเป็นสงฆ์ใหก็อยู่ได้ด้วยความสงบนี่แต่พระไม่พิจารณาอย่างนี้แหลยให้คิดค้นอย่างนี้เลยรู้เรื่องอย่างนี้แหละให้เข้าใจอย่างนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ เพงจะได้ความสุขไม่ใช่ระวังทั้งวรไม่ให้ดูไม่ให้กระทบกระเทือนตาหูไม่ระวังไม่กระทบกระเทือนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกให้ระวังตรงใจใ น, นต่างหากคนเรามดทางพวงมดทางตัวไหวจวังหวะทางมัด อยู่ที่ใจแห่งเดียวรักษาใจตัวเดียวแล้วก็หมดเรื่องกันไปสิงทั้งหลายแล้วนนจึงว่าพระพุทธเจ้าท่า น, นสอน ใ, นให้ระวังส่วนโลกทั้งหลายไม่มีสอนระวังเลยมีแต่ปล่อยตามเรื่องเหตุนั้นมนุษย์ชาวโลกจึงว่าใต า, ตายแล้วเกิดนับนับชาติไม่นับ นับชาติไม่ทวนพระพุทธองค์เห็นเหตุอย่างนั้นจึงมาสอนพวกเราให้รู้จักระวังสังวรต่อไปเหมือนเช่งจะหมดพบหมดชาติหางไม่หมดชาตินี้มันก็ใกล้เข้าไปมีวันที่จะต้องหมดพบหมดชาติในวันหนึ่งข้างห น, น้าเอาแล้วอธิบายานะ ก่อนนี้ไปข้ากบตั้งใจทำความสงบการทำความสงบเบื้องต้นจะปริกรรมอะไรก็เอาจะปริกรรมอะไรก็ได้พุโทโธหรือสมารหังหรือนุบหนอพองหราได้ทั้งนั้นเมื่อนาปาสติมื่นาสติได้หมด การล่อจิตให้เข้ามาอยู่เป็นสมาธินั่นจะใช้พฤติกรรมอะไรก็ได้เป็นเครื่องล่อต่างหากเมือนเขาเขาเหยื่อล่อปลานะเขาเหยื่อจิตเด็ดไปล่อปลาให้มันกินเด็ดเมื่อปลามันกินเด็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเขาต้องการปลวกปลาทั้งหา ผู้ภาวนาก็เหมือนกันเอาคำพิธีกรรมอะไรก็เอาเถอะแต่ภาวนาพุโทโธพุธโทโธแต่ให้จิตไม่อยู่กับพุโทโธอันเดียวจิตเปงของอันเดียวมันมีมากคำที่ว่ามากนั้นคือมันจิตเร็วเร็วนิ่งกวเร็วทีเดียวเร็วยิ่งกว่าเสงอีกครับมันจิตมันเร็วเรือเกิน ก็ประมาเปรียบเหมือนกับมะแรงวันที่มันเกาะอยู่นาทั่งเอาค้อนมาตีตรงแหงแรงอะนะนาทั่งไอค้อนกับทั่งมันถูกกับมะแรงวันนั้นนั่นไอที่มะแรงวันแตกที่มะแรงวันตายนั้นอะไรเช่นก้อนหลังกันมันเร็วถึงขนาดนั้นคิดก็เช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อจิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวเรียกว่าจิตอันเดียวแล้วนะนั่นน่ะตัวสมาธิค้งเมื่อจิตเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวแล้วนะไม่มีสองแล้วมันแนวะก็พุโทโธนะในพุโทโธนะั้นหรือว่าอร่หังหรือสามมาอร่หังอะไรก็ตามเถอะอยุ่หอองหนองหนก็ตามมันหายไปหมดเลยมันยังเหลือแต่อันเดียว น, ะนั่นแหละจึงเป็นสมาธิแท้ นี่แหจิตเบื้องต้นที่จะทำสมาธิต้องทาอย่างนี้แหละใหก่อนคราวนี้จิตมันไม่ใช่อยู่ยงั่นตลอดเวลาบางทีอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงกลับมาของเก่านะมาคิดมาส่งมพิจารณามาปรุงมาแต่งตามเรื่องนั้นแต่หากว่าจิต น, น, นั่นมันต้องได้รับรสชาติของการทำสมาธิเป็นเอ ก, กตาจิตแล้ว